ก็กราบบูชาพระรัตนตไตรกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเกียนถวายความกรบมายัางพระอาจารย์พัฒนตไัยพันเตเพื่อนสาตรมิกเจริญพรมายัางสัมเนธภิกษุณีแล้วก็แมช่ชีนักปฏิบัติธรรมทุกท่าน <c oughs> ก็นั่งกันตามปกตินะ ด้วยความตื่นรูนะ้หลังจากที่เราพักผ่อนหลับนอนนะแล้วก็ตื่นมาด้วยความรู้สึกตัววันนี้ก็เป็นวันเพื่อสัปดีที่30มิถุนายนนะพุทธศักราช2559นะตามที่ <c oughs> เรากำหนดกันเอาไว้ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันสุดท้าย นะของการที่เราตั้งใจนะที่จะมาเรียนรูนะ้ฝึกฝนการเจริญสตินะอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่ประมาณวันที่20เดือนที่แล้วนะจนมาถึงวันนี้หรือวันที่10เดือนที่แล้วนะรวมแล้วก็ประมาณ40วันนะก่อนอึ่งก็ต้องของน้มนุ่นาะกับผู้ที่สามารถอยู่จนถึงวันนี้ได้ นะตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันนี้นะเป็น4ี่สิวันที่เราได้เรียนรู้นะสิ่งที่เราไม่เคยรู้เราได้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นแล้วเราก็คงจะภาคภูมิใจนะว่าเราได้ทำสิ่งที่ยากนะมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยนะระหว่างทาง4ี่สิวันหลายคนนะก็เลิกไปก่อนนะ มาห้าวันเจ็ดวันมาสิบวันเลิกไปก่อนนะอาจจะเนื่องจากตั้งใจไปแค่นั้นหรืออาจจะเนื่องจากมีภารกิจหรืออาจจะเนื่องจากความที่มันทนไม่ได้นะกับการที่จะต้องเจอกับความยากลำบากนะสี่สิบวันที่ผ่านมานะเราได้พบกับทั้งความสะดวกสบาย ทั้งความยากลําบากจากดินฟ้าอากาศบ้างนะจากการอยู่ร่วมกันบ้างจากจิตใจที่มันคิดมันนึกนะไปต่างๆนาน า, นานะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะที่ทําให้เรานะได้เข้าใจนะาสิ่งที่พระพุทธเจ้านะได้พูดได้แนะหรือแม้แต่ครูบาอาจารย์ แต่ละท่านแต่ละคนนะทั้งที่ร่วงรับไปแล้วเนี่ทั้งที่ยังอยู่ก็ตามนะเราได้กระน้อมนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนะไปกระทำนะแล้วก็เกิดผลนะตรงนี้เนี่ยแต่ละคนก็คงได้สัมผัสแล้วละ่ะนะโดยเฉพาะยิงย่งเรื่องของความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวนะเราทำกันในรูปแบบ ตั้งแต่ตื่นนอนนะจนเข้านอนนะทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบนะก็40วันเนี่ยเป็นเน้นนะให้เราได้อยู่กับตัวเราเองนะแล้วก็ทำรูปแบบเยอะๆนะนอกจากนั้นเราก็ยังได้พยายามตั้งใจนะที่จะรู้สึกตัวในกิจวัตรประจำวันนะไม่ว่าจะเป็นการกิน การดื่มการเคีเ้ยวนะการลิ้มการทำกวาดใบไม้นะการอุจจระปัสวะการเดินนะจากที่พักไปสารานาะการพบปะผู้คนนะการได้ยินเสียงการได้เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะตรงนี้เนี่ยนะเราได้กลับมารู้เนื้อรู้ตัวได้บ่อยๆ นะกลับมารู้เนื้อรู้ตัวได้บ่อยๆนะบางทีมันก็มีเผลอหลงไปบ้างนะบางทีมันก็คิดไปเรื่องนั้นคิดไปเรื่องนี้นะก็เป็นธรรมดานะเราก็รู้เท่ารู้ทันมันอยู่นะบางครั้งเผลอไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะเริ่มต้นใหม่ความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะปุ๊บแล้วมันจะรู้สึกตัวทีเดียวเลยแล้วมันตื่นรู้ตลอดเวลานะใหม่ๆมันก็ รู้บ้างหลงบ้างนะแต่ว่าพัฒนาการที่เราเจนชัดเจนคือมันรู้ได้บ่อยๆมันรู้ทันนะรู้ทันสิ่งที่เราเคยหลงนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งภายนอกนะเช่นอากาศที่มันเย็นสบายนะเราก็รู้สึกสบายใจรู้สึกพอใจนะถ้าเราไม่รู้เท่ารู้ทันเราก็ไปจมอยู่กับความพอใจนันหะนะหรือฝนมันตกนะโอ้ยลาบากนะ ที่พักของเราน้ํามันก็เข้ามาฝนมันก็สาดมารู้สึกโอ้ไม่ค่อยพอใจนะรู้สึกลําบากนะอันนี้เราก็ <c oughs> เรียกว่าก็เกิดความขัดอกขัดใจนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้สึกตัวเราก็จะอืมเออมันก็ธรรมดาเนาะเราก็แก้ไขปรับปรุงไปนะก็ทําใจเป็นปกตนะิเรียกว่าใจเป็นกลางๆลากับเหตุการณนะ์ที่เกิดขึ้น จากสิ่งแวดล้อมจากผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดบางทีเราต้องการความสงบบางทีเขาก็มีเสียงดังคุยกันบ้างบางทีก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาบ้างตรงนี้เราได้กลับมารู้สึกตัวไหมหรือเรานึกตำหนิเขาว่าเขาต่างๆนานาอันา น, า น, า น, านี้เรียกว่าเราก็เผลอไปเผลอไปไม่รู้ทันไม่รู้ตัว นอกจากสิ่งแวดล้อมนะจากผู้คนนะอาหารการกินนะบางทีก็ถูกปากบ้างไม่ถูกปากบ้างนะเราก็รับรู้รับรสไปนะกินพอเหมาะพอดนะีไม่กินเหลือไม่กินทิ้งกินขว้างนะเราก็รู้มีสตนะิมีสติในการพิจารณาอาหาร <c oughs> การใช้ของนะต่างๆนะเช่นน้ำดื่มนะ มันยังไม่หมดนะเราก็กินให้หมดนะไม่ทิ้งไม่คว้างนะนี้เราว่ามีสตนะิในการใช้ชีวิตเพราะนั้นการมีสติเนี่ยเราไม่ได้เพียงแค่มายกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมนะเท่านั้นนะก็มีสติแม้แต่ในการบริโภคสิ่งของต่างๆอานการกินน้ำดื่มนะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่หลับที่นอน นะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคนที่มีสตนะิจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ตรงนี้เนะี่ยนอกจากเรื่องของส่วนนี้แล้วนะก็ทิ่สำคัญที่สุดก็คือความคิดความนึกนะความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆนะที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆนะหรือบางทีมันก็ไม่เกิด <c oughs> นะเราก็รู้เท่ารู้ทันมันนะบางทีก็เป็นเรื่องเก่าๆโอ้โหตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้นะ เราลืมไปแล้วมันโผล่ขึ้นมาตอนที่เราเดินจงกรมเราสร้างจังหวะเนี่ยนะเราก็รู้เท่ารู้ทันมันไม่ไปยุ่งกับมันไม่ไปต่อความยาวสาวความยืดนะมันคิดขึ้นมาเท่าไหร่ก็รู้ทันมันเท่านั้นนะคิดขึ้นมาก็ทิ้งไปเลยเนี่ยนี่นคือหัดปล่อยหัดวางความคิดใหม่ๆมันก็ปล่อยไม่นก็ได้นะเพราะว่าเราเคยชินเขาเรียกว่าเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัย นะที่เราเคยชินที่จะคิดนะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้นะตรงเนี้เมื่อเรารู้สึกตัวเรากลับมารู้สึกตัวความคิดมันก็ถูกปลดปล่อยทิ้งไปเลยนะไม่ค่าไม่ราคามันนะอันนี้ก็เป็นการปล่อยการวางสี่สิบวันที่ผ่านมาเนะี่ยหลายคนนะก็คงจะได้เห็นตรงนี้นะและก็รู้จักการปล่อยการวางความทุกข์หนักอ ก, ห น, กหนักใจ ในเรื่องราวในอดีตก็ดีความวิตกกังวลกับในอนาคตก็ดีนะมันได้โดนทุกปล่อยทุกวางงานะเรียกว่าใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะมีความรู้สึกตัวสัมผัสกับความเป็นปกติของใจได้บ่อยๆนะตรงนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกมีความมั่นอกมั่นใจมีความศรัทธานะในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบนะแล้วก็ ได้สัมผัสกับความเป็นปกติสุขของใจนะซึ่งเป็นลักษณะของความเย็น อ, อกเย็นใจเป็นลักษณะนิพพานชั่วคราวนะเพราะฉะนั้นตะกี้เนี่ยที่เราได้สาธยายมนนะนิพพานความปรารถนาที่ดีที่สูงสุดนะของการเกิดมาเป็นมนุษย์นะการเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งเนี่ยนะขอให้เราตั้งความหวังไวเ้เถอะนะว่าชาติเนี่ย ขอให้เป็นชาติสุดท้ายนะเป็นชาติที่เราจะต้องถึงความสงบเย็นนะก็คือพันิพา้ได้นะเป็นตางตั้งความหวังของชาวพุทธเราชาวพุทธเราทั้งมวไปตั้งความหวังว่าจะร่งมั่งมีล่ำรวยให้มีความสุขให้มีความสวยอันนั้นก็เป็นเป้าหมายได้เหมือนกันแต่เป็นเป้าหมายในระดับเบื้องต้นเท่านั้นเองไม่ใช่เป้าหมายสูงสุด ของการเป็นชาวพุทธเพราะนั้นการที่เรามาเข้ากรรมฐานเข้ม40วันเนี่ยก็หลายก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงมีความตั้งใจมีเป้าหมายตรงนี้นะแล้วเราก็ได้พิสูจน์ได้ทดลองได้สัมผัสว่าเออมันมีจริงๆนะสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเลื่อนลอยเราเคยได้ยินได้ฟังคนเขาพูดนะเราก็ไม่เข้าใจนะเราก็ยังคิดว่าเอาไว้ชาติหน้าเถอะ นะชาตินี้ขอให้มีความสุขความสบายพอและวนะมีเงินมีทองทำนะมาหากินไปครอบครัวมีความออุ่นไปก็ดีนะอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่ามันน่าจะมีดีกว่านั้นนะดีกว่านั้นก็คือการเรารู้จักปล่อยรู้จักวางออกจากความทุกข์ได้ออกจากความทุกข์นะออกกกในจิตในใจได้นะตรงนี้เพราะนั้นเราอย่าไปตั้งความหวังเพียงแค่ให้มี ยศถามบรรดาศักดิ์ให้ร่ำรวยนะเาเรียกว่ากินกามเกียรติเท่านั้นนะซึ่งปัจจุบันนี้สมัยนี้นะก็มุ่งกันตรงด้านนี้เท่านั้นเองนะซึ่งตรงนี้นะมันก็เอาจิงเอาจังไม่ได้นะการกินกามก็ดีเกียรติก็ดีอันนี้มันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนะมันไม่แน่นอนแล้วเราก็ต้องเหน็ดเหนื่อยนะเหน็ดเหนื่อยกับการต้องไปวิ่งแสวงหา การมาวัดป่าสุกโตเนี่ยเราได้หยุดพักเราได้หยุดพักเราได้มาทำสิ่งที่เป็นสิ่งสูงสุดนะในการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนานะไม่ว่าจะเป็นคนที่มาใหม่ก็ตามคนที่อยู่เก่าก็ตามนะขอให้เราตั้งความปรารถนาตรงนี้เอาไว้แล้วก็ลงมือกระทานะอย่าเพียงแค่ตั้งความปรารถนานะเมื่อลงมือกระทาแล้ว ก็ให้มีความเพียรความพยายามความบักบันนะอย่างที่เราได้ใช้เวลา4ี่วันเนี่ยสำหรับเรื่องนี้จริงๆอย่างไรก็ดีนะี่สิวันที่ผ่านมาเนี่ยอย่าให้มันเป็นวันสุดท้ายวันสุดท้ายของการที่เราจะกลับมารู้เนื้อรู้ตัววันสุดท้ายของการที่เราจะมารู้สึกตัวนะบางคนคิดว่าพอแล้ว0ี่สิวันนะกลับบ้านไป นะก็ใช้ชีวิตตามโลกตามสังคมไปนะไม่ได้พัฒนาต่อไม่ได้ทำต่อนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จะน่าเสียดายนะน่าเสียดายสิ่งที่เราได้ทำไปไม่มีการต่อยอดนะแต่บางคนอาจจะได้หลักและนะในการที่จะเริ่มต้นนะที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยนะออกจากความทุกขนะ์ความทุกข์ในจิตในใจ แล้วก็ความทุกข์ที่เกิดจากกายก็ดีนะเราก็เรียกว่าพร้อมที่จะยอมรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะเช่นความเจ็บป่วยก็ดีความตายก็ดีนะซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องพร้อมที่จะเผชิญนะสิ่งนี้มันไม่รู้ว่ามันจะมาวันไหนถ้าเราเตรียมจิตเตรียมใจเตรียมสติเตรียมปัญญาของน้อยพร้อมนะตรงนี้มันก็จะทำให้ความทุกข์ที่หนักที่มากมันก็จะเบาลง หรือที่มีน้อยอยู่แล้วมันก็จะน้อยลงไปหรือมันอาจจะไม่มีเลยนะตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้มาฝึกฝนอบรมามาใช้ชีวิตเรียนรู้ด้วยตัวเราเองนะมีปัญหาแล้วก็แก้ด้วยตัวเราเองนะครูบาอาจารย์ก็มีไปสอบถามบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะตรงนี้เนี่ยจุดประสงค์ใหญ่ก็คือให้เราพึ่งตัวเราเองช่วยตัวเราเองพึ่งตัวเราเองได้ ไม่ต้องมาติดครูบาอาจารย์ไม่ต้องมารอนะว่าเดี๋ยวจะต้องฟังคนนู้นฟังคนนี้ให้มาแก้ปัญหาให้กับเราเราแก้ปัญหาด้วยตัวเราเองแต่หลวงพ่อควางเขียนนั้นพูดอยู่เสมอนะว่าครูที่แท้จริงก็คือตัวเรานี่ยแหละครูที่แท้จริงนะความผิดความถูกนั่นแหละที่มันจะสอนเรา ตำราเล่มใหญ่หนังสือเล่มใหญ่พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ก็อยู่ที่กายอยู่ที่ใจนั่นแหละนะสี่สิบวันที่ผ่านมาเราได้อ่านกายอ่านใจนะจนทะลุผุโปร่ปปงหรื อ, อยังนะถ้าทะลุผุโปร่ปปงแล้วนะเราพอที่จะมั่นใจนะว่าเราจะพึ่งตัวเราเองได้นะการพึ่งตัวเองก็ไม่ใช่ว่าเราเอ่อเชื่อมั่นจนไม่ฟังใครนะ คนที่เข้าใจธรรมะจะเป็นคนอ่อนน้อมทําตนพร้อมที่จะรับฟังนะไม่ใช่ อ, อ, อวดดีอวดรู้นะไม่ฟังใครแล้วนะซึ่งตรงนี้อาตมาก็เคยเป็นเหมือนกันนะปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยโอ้มันรู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้นะเก่งแล้วแน่แล้วนะสบายแล้วนะคิดว่าตัวเองรู้หมดนะไม่ฟังใครเลย เท่านั้นไม่พอนะบางทีก็อยากจะบอกอยากจะสอนอยากจะพูดอยากจะคุยเรียกว่าร้อนวิชานะแต่พอไปเผชิญกับโลกจริงๆนะไปเจอสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะก็ยังดีใจเสียใจยังพอใจไม่พอใจนะยังโดนความโลภความโกรธความหลงครอบงมอยูนะ่สติมันไม่ทันเนะพราะเราเผลอนะเราไปหลงนะหลงว่าเรารู้นะ ไอการหลงบารู้เนี่ยบางทีมันไม่รู้ตัวแต่ถ้ารู้ว่าหลงหลงไปละโอ้นะ่ะอันเนี้ยดีมันรู้ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้อมมีประสบการณ์ก็ดีนะ่ะการได้ผ่านอารมณ์ต่างๆก็ดีอันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์นะเป็นการเรียนรู้นะ่ะอย่าง น, น้อยเราก็รู้แล้วล่นะวิธีการที่จะออกจากความทุกข์ทำยังไงนะ่ะออกจากความคิดทำยังไงนะ่ะ ที่นี่วัดป่าสุกโตสภาพแวดล้อม <c oughs> ไม่มีอะไรที่จะทำให้เรา <c oughs> กระตบกระเทือนมากเดี๋ยวเรากลับไปสู่บ้านกลับไปสู่วัดไปสถานที่ที่เราคุ้นเคยไปพบปะผู้คนไปสัมผัสกับสังคมนะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องทดสอบเลยว่าสิ่งที่เราได้ฝึกฝนมาใช้ได้แค่ไหน นะและก็สิ่งที่เรามั่นใจว่ารู้แล้วมันจริงหรือเปล่าใจเราเป็นปกติได้ทุกสถานการณ์ไหมนะหรือว่ามันทุกข์ขึ้นมาเราสามารถที่จะแก้ทุกข์ไดนะ้อาจจะเร็วหรืออาจจะช้านะก็ให้สังเกตดูเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปวางใจนะว่า40วันเนี่ยโอ้เราสำเร็จแล้วเรา เ, เข้าใจหมดแล้วเรารู้หมดแล้วนะเราไม่ต้องทำอะไรแล้ว นะตรงนี้ให้สังเกตนะจากการที่เรากลับไปสู่เข่สถานบ้านเรือนนะไปใช้ชีวิตนะในสังคมตามปกตนะิอันนี้ก็พูดทั้งในส่วนของโยมก็ดีพระก็ดนะีที่อาจจะต้องสิกขาลาเพศไปนะเพื่อไปทำภาร ก, กิจหน้าที่นะที่ตัวเองรับผิดชอบต่อไปนะตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราได้ <c oughs> ฝึกฝนอบรมไปแล้วเนี่ยตอนนี้เรามีเครื่องมือแล้วมีตาแล้วตาในก็คือตาใจตัวสติตัวปัญญานะที่ได้รับการพัฒนานะพร้อมที่จะไปะเผชิญกับโลกนะหรือสังคมผู้คนนะด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ เ, เป็นคงจะเป็นอนิสงนะหรือเป็นประโยชน์นะที่ได้รับ จากการที่เรามาอยู่วัดป่าสุกโ ต, โตนะกลุ่มที่เข้ากรรมฐานเข้ม40วันก็ดีคนที่เพิ่งมาใหม่ก็ดีคนที่อยู่เก่าก็ดีคนที่มา3มวัน5วัน7วันนะหรือคนที่มาบวชนะ1นอาทิตย์2อาทิตย์1เดือนนะถ้าเราได้ฝึกฝนเรื่องพวกนี้เนี่ยนะเราก็จะได้รับประโยชน์นะจากการที่เราได้มีโอกาสใช้เวลา นะที่มีค่าเนี่ยให้เกิดประโยชน์ในทางธรรมนะก็คือประโยชน์ในการที่เราจะมีชีวิตนะที่ให้มีทุกน้อยลงหรือไม่ต้องมีทุกขเลยนะแล้ เ, เมื่อเราไม่มีทุกขหรือมีทุกน้อยลงเราก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมให้กับครอบครัวนะให้กับการงานและหน้าที่ต่อไปนะเราเรียกว่ามีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ นะซึ่งต่งานอจาย์พุทธทาสนะก็ได้พูดถึงคําคํานี้อยู่บ่อยๆนะซึ่งตรงนี้นะมันก็จะทําให้เราภาคภูมิใจหนะรือว่าเห็นคุณค่าของตัวเองนะในการเกิดมาเป็นมนุษย์นะครั้งหนึ่งชาติหนึ่งนะแล้วก็ได้พบพระพุทธศาสนาได้นําสิ่งที่พระองคนะ์ได้พูดได้ค้นพบนะแล้วก็ได้ทดลองด้วยตัวเราเอง ไม่ใช่ฟังเฉยๆนะเรียกว่าเอามาพื้นปฏิบัติพิสูนรทดลองนะใหม่ๆก็คงจะจำได้ละนะมันยุ่งยากลำบากพอสมควรนะแต่เมื่อเรานะเมื่อเราได้ฝึกฝนนะผ่านความยากลำบากนะนก็ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นอดทนขึ้นนะได้เรียนรู้ความจริงของกายของใจมากขึ้นความคิดที่มันเคยหลอกเราให้ดีใจเสียใจ เราก็ไม่หลงนะเราก็สามารถที่คืนมาสู่ความเป็นปกติได้บ่อยๆนะตรงนี้แหละนะเป็นความสุขที่ประนีตเป็นความสุขที่มีอยู่แล้วในจิตในใจของเราเป็นความสุขที่มากกว่าการที่เราได้เสพวัตถุนะที่เราเคยได้พบได้เห็นนะซึ่งตรงเนี้จะเป็นหลักกับชีวิตทำใหชีวิตของเราเนี่ยนะมี คุณมีค่ามีประโยชน์มากขึ้นนะซึ่งสิ่งนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนนะคงจะได้สัมผัสนะในการมาอยู่ในการมาวัดป่าสุขโตนะก็ต้องขออนุโมทนากับทุกท่านเนาะแล้วก็ขอให้เธอเดินทางกลับสู่ เ, เคหสถานก็ดีนะวัดก็ดีสถานปฏิบัติธรรมก็ดีนะโดยสวัสดิภาพนะแล้วก็ ได้บำเพ็ญ น, นะบเพ็ญจิตตะภาวนาก็ดีนะปัญญาภาวนาก็ดีนะให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะสามารถที่จะออกจากความทุกข์ได้พ้นจากความทุกข์ได้ในชีวิตนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร